พระประวัติย่อของพระครูสุทธิธรรมรังสีหลวงปู่เจี้ยจุนโดจากหนังสือหลวงปู่เจี้ยพระผู้เป็นดังผ้าชี้ริ้วห่อทองท่านพระอาจารย์เจี้ยจุนโดท่านเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีถือกำเนิดในตระกูลโพธิจิตเมื่อวันอังคารเดือนเจ็ดขึ้น6ข้ามปีมะโรงตรงกับวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2459บ้านคลองน้าเชมตาบลคลองน้าเชม อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีโยมบิดาชื่อสุนแชโยมบรรดาชื่อแฝงโพธิจิตบิดาท่านย้ายมาจากเมืองจีนยมบรดาเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีมีอาชีพค้าขายต่อมาในภายหลังได้ย้ายนิวาสถานมาอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีท่านเป็นบุตรคนที่สมีพี่น้องรวมกันเจดคนในวัยเด็ก ท่านพระอาจาเจีเยได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดหนองบัวจนจบชั้นป .4 หลังจากนั้นท่านได้อยู่ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพค้าขายมาโดยตลอดดังข้อความตอนหนึ่งที่ท่านเล่าว่าเดิมจริงๆชื่อว่าโอเจียแปลว่าหินดำเพราะว่าเรามีปานดำที่แผ่นหลังต่อมาภายหลังเรียกสั้นๆว่าเจียคำว่าโอเจียมีความหมายในทางธรรมอีกอย่างหนึ่งคนที่มีปานประเภทนี้ จะต้องเป็นคนมีจิตใจแข็งแกร่งดุดศิลาแรงทนร้อนทนหนาวทนทุกข์ทนสุขอดทนได้รับได้แก้ไขได้ทุกสภาวการเหมือนจะเป็นธรรมะเตือนเราว่าจงทำจิตใจให้เป็นดั่งแผ่นหินตอนเด็กๆท่านกลัวกะปิเป็นที่สุดเวลาพี่ชายเดินทางไปที่ไหนที่ไหนอยากจะไปกับเขาถ้าเขาไม่อยากให้ไปด้วยเขาก็จะพูดว่ามึงไม่ต้องมา ถามาเดี๋ยวจะเอากะปิเขวียงหัวพี่ชายพูดเพียงเท่านั้นท่านบอกว่าร้องไห้วิ่งกลับบ้านแทบตายเรื่องอาหารการกินท่านก็เป็นคนที่กินยากตั้งแต่วัยเด็กอาหารอันใดที่มีมันหมูติดมามากๆเมื่อท่านเห็นท่านจะร้องไห้ชักดิ้นชักงอไม่ยอมกินเรื่องการกินจึงเป็นคนกินยากมาตั้งแต่วัยเด็กเพราะฐานะทางบ้านดีในวัยหนุ่ม ทำมาค้าขายขายเงาะขายทุเรียนขายมังคุดนิสัยออกจะติดทางนักเลงเป็นคนจริงจังในหน้าที่การงานไม่เกเรพูดจาหุ่งหกักไม่กลัวคนต้นตระกูลเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ชอบโกหกจึงเป็นมรดกทางอุปนิสัยติดต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงผู้เป็นลูกหลานเราเป็นคนทำอะไรต้องทำให้ได้ดังใจเวลาไปบรรทุกผลไม้ที่ท่าฉลับ เรือลำไหนมันขึ้นฝั่งไม่ได้เรือเขาขึ้นไม่ได้ทั้งหมดแต่สำหรับเรือเราแล้วต้องขึ้นได้คือเอาขึ้นจนได้เราเป็นคนแข็งแรงสู้ทุกรูปแบบเป็นคนจริงจังยอมหักแต่ไม่ยอมงอเป็นคนซุกซนแต่ไม่เคยซุกซนเรื่องผู้หญิงและไม่เคยยอมแพ้ใครในหน้าที่การงานทั้งปวงในวัยหนุ่มนั้นท่านพระอาจารย์เกีย ท่านมีความเพียรเป็นเลิศทำงานแทบไม่มีหยุดหย่อนไม่ว่าจะเป็นงานหนักเช่นแกวเรือแบกข้ามสิ่งของหรืองานที่ยากลำบากอื่นๆท่านไม่เคยย่อท้อเรียกว่าท่านเป็นผู้มีความอดทนบึกบึนเป็นอันมากท่านเล่าว่าเราว่ายน้ำเจี่ยงมากหมัดเราก็หนักต่อยปากเจ็กทีเดียวสลบเลยเวลาหน้าปลาก็จะไปจับปลามาขายขายได้กิโลละ75สสตางค์ มีเรืออยู่สองลำลำใหญ่นำไปบรรทุกกระดานลงมาขายมีอยู่วันหนึ่งจะออกไปซื้อกระดานลงศพที่เกาะก่อนจะออกเดินทางยายสอนให้ภาวนาว่าพุททางทำมังสังขังพอเดินทางไปพายุใหญ่มันมาน่ากลัวมากเราก็ตั้งใจนึกอย่างที่ยายสอนพายุหายเรียบตอนหลังไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเรียนถามท่านว่าครูบาอาจารย์ผมออกไปเดินเรือซื้อแผ่นกระดานลง ยายสอนให้ภาวานานึกพุทธังธำมังสังคังพายุพัดกระนำมาอย่างแรงผมภาวานาเนกอย่างที่ยายสอนลมพายุสงบลงทันทีทําไมจึงเป็นอย่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่นจึงตอบว่าก็มันเป็นของดีนี่สมัยยังหนุ่มยังแน่นเราไม่เคยคิดถึงเรื่องบาบุลคุณโทษอะไรมุ่งแต่ทํางานอย่างเดียวแม้แต่คําว่านโมตัศสะยังว่าไม่จบ ตอนจบป .4 ใหม่ๆครูง้วนลิ้นที่เคยเป็นอาจารย์สอนในสมัยเรียนมาตามไปเป็นครูค่าจ้างเดือนละ3บาทเราไม่อยากไปแต่แม่ต้องการให้ไปหาผู้เรียนขายเพียงสองเที่ยวก็ได้แล้ว3บาทไปเป็นครูอยู่ได้10วันก็ถูกให้ออกเพราะเอาบอระเพ็ดให้เด็กที่ซุกซนกินเด็กมันไปฟ้องพ่อแม่มันว่าครูเจีย้ยเอาบอระเพ็ดยัดปากกินข้าวไม่อร่อยเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลย เราจึงบอกพ่อแม่เด็กว่ากินบระเพ็เพียงแค่นั้นมันจะตายหาอะไรกันเพราะเด็กมันคุยเจ่งเรื่องฐานะทางบ้านของเราในสมัยนั้นครอบครัวมีฐานะดีที่สุดในหมู่บ้านที่บ้านมีทองเป็นรูปเตา่าและรูปอื่นๆเยอะแยะมีทองเป็นสิบกระบุงปล่อยเงินกู้สมัยโบราณเขานิยมทำทองรูปพันต่างๆแขวนประดับตามคอตามแขนตามขายอมแม่มีจิตใจเป็นบุญมาก เพราะว่าลุงฮอกกับลุงเหยไปบวชเป็นพระเวลาแม่ไปวัดท่านก็จะสอนแม่เป็นประจำว่าอิแฟ่เอ้ยเวลามึงไปทํามาค้าขายมึงอย่าไปโกหกเขานะสมบัติเหล่านี้ได้มาแล้วตายแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอกมีแต่จะพาเองไปนรกเราช่วยบิดามารดาประกอบสัมมาอาชีพค้าขายมาจนอายุครบเจนทหาร เมื่ออายุได้21ปีก็คิดอยากอุปสมบทให้บิดามันดาตามประเพณีนิยมการอุปสมบทนี้เราเป็นผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นเองไม่มีใครมาชักชวนแต่อย่างใดทั้งสิ้นประกอบกับในสมัยนั้นท่านพระอาจารย์กงมาจิรปุญโยซึ่งเป็นสิทธิสายท่านพระอาจารย์มั่นได้มาพักตั้งสำนักอยู่ที่ใกล้ๆบ้านซึ่งต่อมาเป็นวัดสายงามการเตรียมอุปสมบท ต้องไปเป็นผ้าขาวอยู่ที่สำนักวัดทายงามนี้เป็นเวลาหลายเดือนระหว่างนั้นต้องหัดขานนาคและอบรมกรรมฐ า, านกับท่านพระอาจารย์กุงมาคือหนึ่งตอนเป็นนาคฟังเทศท่านอาจารย์กงมาพอั่งภาวนาฟังเทศไปจิตอยู่กับคําบริกรรมหูก็ได้ยินเสียงเทศไปคือจิตก็ทําหน้าที่ของมันหูก็ทําหน้าที่ของมันจนเกิดเป็นสมาธิ แต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นสมาธิรวมจนกระทั่งว่าไม่มีตัวตนตัวตนหายหมดแล้วมาปรากฏภาพในมิตเห็นตนเองหมอบไปฟุบกับกองทรายอย่างชัดเจนตัวนี้อ่อนไปหมดปรากฏว่าในขณะนั้นตัวตนไม่มีจนกระทั่งท่านพระอาจารย์กรุงมาแสดงธรรมจบลงจึงรู้สึกตัวเมื่อออกจากที่ภาวนาแล้วก็เข้าไปกราบเรียนท่านท่านก็ว่า เออดีแล้วทำไปทำไปดีแล้วนะเมื่อเข้าฝึกเป็นนาคพอสมควรแจ ก, การอุปสมบทแล้วจึงได้รับการอุปสมบทเมื่อบันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2480ที่วัดจันทนารามตําบลจันทนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระครูครุณาสมาจารย์เสียนเป็นพระอุปชาพระครูพิพัฒน์วิหาราการเชยเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และท่านพ่อลีธรรมธโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาที่วัดทายงามตำบล น, น้องบัวอาเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นระยะเวลาติดต่อกันสมพรรษาในระหว่างที่จำพรรษาได้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับท่านพระอาจารย์กงหมากิระปุญโยในบังคราวได้เดินทางไปศึกษาวัดปฏิบัติกับท่านพ่อลีธรรมทโรที่วัดป่าคลองกุ้งอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีบางทีตอนหนุ่มๆบวชใหม่ก็คิดอยากจะศึกพวกบวชเป็นชีสาวๆก็อยากจะศึกหรือพวกแจ่ๆก็อยากจะศึกเพราะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นศึกไปก็เท่ากันกับลงไปในน้ำทะเลอันมหาสมุทรกว้างขวางใหญ่นักชีวิตไม่มีความหมายตัวลงอยู่ในทะเลเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาเท่านั้นเองตายไปอย่างนั้นไม่ได้อันใดเลย เหมือนเราตกลงไปในทะเลถ้าไม่มีเรือมารับแล้วเราก็ต้องตายชีวิตก็ต้องสิน้นชีวิตจมอยู่กับลูกกับเมียกับเข้าขอเงินทองเพื่อหามาเลี้ยงกันทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดหย่อนไม่มีเวลาได้พักผ่อนจิตใจของเรานี่แสนที่จะทุกทนพระพุทธองค์ตรัสแล้วถูกต้องหมดทุกอย่างพระองค์ตรัสว่า โซ่ตรวนใดๆก็ไม่สามารถรึงรัดมัดผูกจิตใจเราได้ยิ่งไปกว่าบ่วงคือบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติสู้อันนี้แจ้ได้ยากถอดถอนได้ยากมันชักนำพาเราให้จมอยู่ใต้ทะเลคือกิเลสและตัณหาจนหาทางออกไม่ได้พระองค์จึงตรัสว่าเราเป็นเหยื่อของโลกถูกกระแสโลกพัดพันไปต่างๆนานาในที่สุดก็ไม่ได้อะไรในทางที่ดีแต่มันกลับได้ ในสิ่งที่ชั่วเสียหายพันษาที่สองถือเนสัชิคือการไม่นอนตลอดพันษาด้วยการตั้งสัจจะไว้ก่อนนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิทําอย่างนี้วันละสามหนเพื่อถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และเพื่อเป็นอุบายในการภาวนาด้วยการตั้งสัจจะว่าครัพ่อเจ้าจะถือเนสัชิตลอดทั้งพันษา ในเวลาค่ำคืนไม่นอนด้วยพุท ธ, ธานุภาพทำมานุภาพสังขานุภาพถ้าแม้นว่าข้าพระเจ้าไม่ทำตามสัจจะอันนั้น 1. ขอให้ฟ้าผ่าตายสองแผ่นดินสู่สามไฟไหมสี่ขอให้น้ำท่วมตายด้วยพุท ธ, ธานุภาพท ร, รมานุภาพสังขานุภาพถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้เอาให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาเลยตัวสัจจะนี่แหละถือเป็นตัวสาคัญผ่านก็ผ่าน ถ้าไม่ผ่านก็แสดงว่าวาสนาเรามีแค่นั้นเจ็ดวันแรกที่เริ่มปฏิบัติด้วยการไม่นอนมันก็จะแย่เหมือนกันเพราะตั้งแต่เกิดมานอนตลอดจนเป็นนิสัยอยู่มาวันหนึ่งมาหยุดนอนเอาดื้ อ, อ, อร่างกายก็แย่ทำท่ า, ทางหงุดหงิด จ, จนถึงกับอุทานในใจว่าว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วโว้ยแต่ก็ยังดีที่เราก่อนจะทาสมาธิ ก็ได้เข้าไปตั้งสัจจะบังคับเอาไว้เพราะความเป็นผู้ที่รักษาสัจจะสัจจนั้นจึงเป็นเหมือนโซ่ตรวนคอยรึงรัด ก, กายจิตเอาไว้ตายเป็นตายแต่จะให้สัจจะที่ตั้งไว้ขาดไม่ได้ในร่างกายนี้อะไรจะเสียผุพังไปก็ตามแต่สัจจะจะเสียไปไม่ได้เพราะสัจจะที่เราให้ไว้กับตัวเราเรายังรักษามันไม่ได้แล้วเราจะหวังพบธรรมะอันประเสริฐซึ่งอยู่ในสัจจนั้นได้อย่างไรกัน เมื่อตั้งสัจจะแล้วเริ่มภาวานาทั้งกลางวันกลางคืนจนในที่สุดเมื่อภาวานาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยอยู่มาวันหนึ่งในพรรษาที่สา ม, มานั่งภาวานาอยู่ใต้ต้นกระบกจิตรวมใหญ่ด้วยกันอย่างสติปัญญาลงในกายานุปัสสนาแยกแยะส่วนต่างๆของาธาตุขัน์ออกพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลดละคือยกทั้งส่วนรูปกายทั้งส่วนเวทนาคือทุกข์ภายในทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่างๆว่าเป็นทุกข ทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งว่าส่วนนี้เป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณาของสติปัญญาผู้ดำเนินงานทำการขุดค้นค ล, คลี่คลายอย่างไม่หยุดยัง้งจิตมีกำลังขึ้นมาอย่างประจักษ์สามารถคลี่คลายธาตุขันจนรู้แจง้งตลอดทั่วถึงด้วยอนานาจแห่งการพิจารณาการพิจารณากายครั้งนี้ปรากฏประหนึ่งว่าแผ่นดินแผ่นฟ้าละลายหมดกายกับใจนี้มันขาดออกจากกัน เหมือนบ้าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจทีเดียวเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วจิตนี้มันอาจหารรื่นเริงในธรรมไม่กลัวใครคือว่าไม่กลัวต่อความจริงที่จะต่อสู้และพิจารณาเรียกว่าธรรมทาให้กล้าหารเมื่อเป็นสันทิฏฐิกธรรมคือรู้เองเห็นเองโดยเฉพาะตนแล้วจึงไม่นําไปพูดกับใครปิดบังไว้ไม่ให้ใครรู้จึงนึกถึง แต่กิตติศัพท์และกิตติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อภาวนาจิตลงได้อย่างนั้นแล้วสมบัติใดๆในโลกนี้ที่เขานิยมว่ามีค่ามากไม่ได้มีความหมายเลยทำที่ปรากฏขึ้นในคืนวันนั้นเป็นธรรมสมบัติเหนือรัตนเงินทองโดยประการทั้งปวงอัศจรรย์ในธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยิ่งจิตนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการบุคคลเลยถึงกับได้พูดกับคนรัก ที่เคยได้สัญญากันไว้ก่อนบวชว่าบวชแล้วจะศึกมาแต่งงานกันแต่เมื่อกิจมันเป็นเช่นนี้วันหนึ่งออกบินธบาตเจอคนที่เคยรักมาใส่บาทจึงพูดอย่างเด็ดขาดกับเขาว่าแป้งเอ้ยต่อแต่นี้ไปเราจะไม่ศึกแล้วนะหลังจากออกพรรษาประมาณเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2482จึงตัดสินใจเข้าไปลาท่านพระอาจารย์กงมาเพื่อเดินทางไปหา ท่านพระอาจารย์มั่นที่เชียงใหม่ท่านพระอาจารย์กงมาจึงพูดขึ้นว่าท่านเกี้ยพระอย่างท่านจะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นได้ยังไงครูอาจารย์เราตอบขึ้นทันทีหลวงปู่มั่นเป็นคนผมก็เป็นคนทำไมผมจะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นไม่ได้ถ้าท่านเป็นพระดีผมไปหาของดีมันจะผิดตรงไหนก็คนไม่ดีนั่นแหละต้องให้คนดีๆสอนถ้าคนอยู่กับคนไม่ได้ แล้วคนจะไปอยู่กับใครเมื่อพูดอย่างนี้แล้วท่านพระอาจารย์กงมาท่านก็นั่งนิ่งหลังจากกราบลาท่านพระอาจารย์โกงมาแล้วจึงไปบอกลายมพ่อโยมแม่และพี่สาวตลอดจนญาติญาติโยมแม่จึงพูดขึ้นว่าจินก็เป็นคนจินยากจะไปได้ยังไงลูกโยมแม่พูดขึ้นพร้อมทั้งน้ําตาเพราะในบรรดาลูกๆพ่อแม่รักเราเป็นที่สุด เราจึงตอบโยมแม่ว่าโยมแม่ก็มันกินยากหิจึงต้องไปแจ้ให้มันกินง่ายๆโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะโยมอาตมาไม่ตายหรอกพูดปลอบเพื่อให้ท่านสบายใจก่อนมันออกเดินทางก็เข้าไปกราบลาท่านพ่อลีท่านพ่อจึงสอนเรื่องข้อวัดปฏิบัติเมื่อไปหาท่านพระาจารย์มัน่นเมื่อท่านพ่อลีอบรมสั่งสอนแล้วท่านจึงพูดขึ้นว่าท่านเกี้ย ให้ท่านเอาท่านเฟื่องไปเป็นเพื่อนด้วยนะเวลามีอะไรขัดข้องจะได้ช่วยเหลือกันแล้วท่านก็กําหนดวันออกเดินทางให้ไปพร้อมกันเพราะท่านจะเดินทางไปอินเดียต้องเข้ากรุงเทพเหมือนกันพอถึงวันออกเดินทางมาขึ้นเรือพานุรังสีที่ท่าฉันแลบพร้อมกับท่านเฟื่องและท่านพ่อลียมพ่อยมแม่ร้องไห้กันใหญ่จะไม่ยอมให้เดินทางไม่ยอมให้ขึ้นเรือพูดอ้อนวอน ือจะไม่ให้ไปด้วยอุบายต่างๆนานาพี่สาวจึงพูดขึ้นว่าพระไม่มีเงินถือเงินจับเงินเองก็ไม่ได้หาเงินเองก็ไม่ได้หาจินเองก็ไม่ได้จะไปได้อย่างไรกันเราจึงตอบว่าพระทั้งประเทศเข้าไปยังไงอยู่ยังไงกินยังไงกูก็จะไปอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นและกินอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสละราชบัลลังก์ออกบวชไม่เห็นจะมีปัญหามากมายขนาดนี้โว้ย เมื่อท่านพูดเด็ดๆอย่างนั้นพี่สาวเห็นท่าไม่ดีจึงจะกดเอาไปซ่อนไว้ไม่ยอมให้แม้กระทั่งใกล้เวลาที่เรือจะออกแล้วเราจึงพูดขึ้นว่าถ้ามึงไม่ให้กดกูกูก็จะต้องนอนตากยุงคนยังห้ามกูไม่ได้กดหรือมันจะมาห้ามกูได้เมื่อพี่สาวเห็นความตั้งใจแน่ๆเช่นนั้นเธอจึงยอมคืนกดให้เมื่อเดินทางเข้ามาถึงกรุงเทพมาขึ้น ที่ท่าราชวงศ์และไปพักที่วัดสัปปทุมท่านพ่อลีท่านแยกเดินทางไปอินเดียส่วนเรากับท่านเฟื่องพักอยู่ที่กรุงเทพพอสมควรแล้วประมาณ20วันก็เดินทางโดยรถไฟไปกับท่านเฟื่องเมื่อลงรถแล้วก็พากันนั่งรถสามล้อไปพักที่วัดเจดีหลวงพักที่วัดเจดีหลวงพอสมควรแล้วก็ออกเดินทุ ด, ดงไปทางอำเภอเชียงดาวแล้วออกเดินทางต่อไปจนถึงปางแดง อันเป็นป่าอยู่ในกลางหุบเขาพักที่ปางแดงพอสมควรแล้วก็ออกเดินทางไปตามหุบผาป่าเขาอันสลับซับซ้อนทะลุถึงอำเภอพร้าววัดร้างป่าแดงบ้านแม่ก่อยนึกรำพึงรำพันถึงท่านพระอาจารย์มั่นเป็นหมื่นหมื่นครั้งว่าหลวงปู่มั่นช่วยหน่อยหลวงปู่มั่นช่วยหน่อยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วได้ยินว่าใครใครเขาก็พูดว่าท่านพระอาจารย์มั่นรู้วารจิตคนหมด ตอนนี้ผมพระเจี้ยเดินทางมาหาเหนื่อยยากลําบากจะตายอยู่แล้วทางก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมาทางไหนหลวงปู่มั่นอยู่ที่ไหนถ้ารู้ได้ด้วยใจด้วยญาณก็ส่งคนมารับหน่อยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเมื่อเดินทางเข้าไปในวัดร้างป่าแดงมีพระรูปหนึ่งลักษณะองค์อาจเป็นเถระมีรูปร่างเล็กๆสันฐานสันทัศน์ผิวดําแดง นั่งห่มจีวรแสดงอาการให้เห็นว่ารอใครบางคนอย่างเห็นได้ชัดนั่งอยู่บนแคร่น้อยๆใช้ไม้ไผ่ขัดแตะเอาย่าคามุงกั้นฝาเป็นฟากหันมาทางที่จะเดินเข้าไปแสดงอาการว่าสนใจในคนที่จะมาแต่ไม่แสดงออกทางคำพูดสังเกตได้ว่าเป็นกิริยาที่รับกันใจในขณะนั้นน้อมนึกขึ้นมาทันทีว่า นี่แหละหลวงปู่มั่นนึกต่อไปอีกว่าท่านคงรู้วาราจิตของเราเป็นแน่แท้จึงมานั่งรอพระเถระรูปที่นั่งอยู่นี้ต้องเป็นหลวงปู่มั่นผู้มีกิตติศัพเพื่อืออย่างแน่นอนแล้วจึงตรงเข้าไปกราบท่านท่านพระอาจารย์มั่นจึงถามขึ้นว่ามาจากไหนมาจากจันทบุรีอยู่กับท่านพระอาจารย์กรงมาท่านพระอาจารย์ลีเรากาบเรียนท่าน ท่านพระอาจารย์มั่นจึงพูดขึ้นว่าอ๋อนั่นลูกศิษย์เราท่านพูดแบบอุทานอุทานเหมือนว่ารู้เข้าใจในวิถีความเป็นมาเป็นไปของเราเมื่อได้โอกาสอันควรจึงเรียนถามปัญหาธรรมะกับท่านว่าครูบาอาจารย์กระผมพิจารณากายจนกระทั่งใจนี้มันขาดไปเลยองค์ท่านนั่งนิ่งฟังเฉยเงียบไม่คัดค้าน ในสิ่งที่เล่าถวายแม้แต่คำเดียวจึงกราบเรียนท่านต่อไปอีกว่าครูบาอาจารย์จะให้ผมทำอย่างไรต่อให้ทําอย่างเดิมนั่นแหละดีแล้วท่านตอบสั้นๆแต่เป็นที่พอใจตรงใจของเราเป็นอย่างยิ่งเมื่อรับฟังโอวาจากท่านพระอาจารย์มั่นด้วยความทราบซึ้งแล้วต่างองค์ต่างแยกย้ายเข้าสู่ที่พักแต่ด้วยอากาศที่หนาวเหน็บ เข้าไปในภายในนั้นทำให้เนื้อตัวสั่นเทาเพราะมีแต่เพียงกีวรบางๆเป็นที่ห่อหุ้มร่างกายเมื่อตกดึกๆนอนไม่หลับจึงเดินเข้าไปหาท่านเฟื่องผู้เป็นสะธรรมิกอันเป็นการอย่างเชิงดูหมู่เพื่อนว่าจะเป็นไปอย่างไรคิดอย่างไรด้วยการกระซิบเบาๆว่าเฟื่องโวยหนาวโวยกลับบ้านเราดีกว่าฝ่ายท่านเฟื่องก็นิ่งเฉยไม่ตอบแต่อย่างใด พอรุ่งเช้าวันใหม่จึงเดินออกจากกระท่อมน้อยมาทางหอฉันเพื่อจะไปจัดแจงสาลาฉันพอท่านพระอาจารย์มั่นพบเท่านั้นแหละเหมือนดังว่าสายฟ้าฟาดลงบนกระมอมทันทีคนทะลงทะเลไม่มีความอดทนไปไปไม่มีใครอารัธนามาที่นี่ท่านพระอาจารย์มั่นพูดเสียงดุดังในตาก็กราดกล้าวเหมือนพญาเสือโคร่งตัวใหญ่ อันเป็นกิริยาที่หมูแมวแมวอย่างพวกเราต้องหมอบคลานก้าวขาไม่ออกเรื่องวารจิตนี่ครูบาอาจารย์มั่นท่านรู้ทุกอย่างจะพูดจะคิดอะไรอยู่กับท่านต้องระวังประมาทไม่ได้เป็นบาปใหญ่เพราะท่านเป็นพระอระหันต์อยู่ต่อมาอีกสองสามวันฟันข้างๆ ข, ของท่านพระอาจารย์มั่นจึงหลุดแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าเอา้าท่านเชี้ยเอาไปแล้วท่านก็หยิบยื่นให้ การที่ท่านพระอาจารย์มั่นมอบฟันให้ท่านคงรู้ด้วยอนาคตังสยานว่าเราจะต้องเป็นผู้สร้างเจดีบูชาคุณของท่านเป็นแน่แท้เราได้อยู่ศึกษากับท่านพระอาจารย์มั่นจนใกล้วันมาฆบูชาพระกวีพิมพ์ได้มีหนังสือนิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นให้ลงมาทําพิธีมาฆบูชาที่วัดเยรีหลวงร่วมกับสมเด็จพระสังฆราช ว่ิขยา น, นวงชื่นท่านพระอาจารย์มั่นเกิดป่วยเป็นไข้ามาลาเรียอย่างแรงแพทย์ไม่รับรองในอาการของท่านท่านพระอาจารย์มั่นจึงมีหนังสือให้เราลงไปทาหน้าที่ร่วมพิธีแทนท่านพระอาจารย์มั่นป่วยเป็นไข้ามาลาเรียคราวนั้นเราเป็นพระขีฬานุปถากประจำท่านพระอาจารย์มั่นไม่ฉันข้าวสามวันนานแดงจึงนิมนต์ท่านไปพัก รักษาที่โรงพยาบาลแมคโคมิกในการป่วยครั้งนั้นหมอไม่รับรองในอาการของท่านหมอได้พูดกับท่านเจ้าขุนพระราชกวีภายหลังดำรงตาแหน่งเป็นสมเด็จมหาบีรวงพิมพ์ว่าการป่วยของท่านพระอาจารย์มั่นคราวนี้อาจจะไม่รอดเมื่อท่านเจ้าขุนเข้ามาหาท่านพระอาจารย์มั่นจึงถามว่าหมอว่าอย่างไร ท่านเจ้าคุณกราบเรียนว่าการป่วยคราวนี้หมอบอกว่าท่านอาจารย์จะไม่รอดอาการหนักมากท่านพระอาจารย์มั่นจึงพูดขึ้นว่าการป่วยในคราวนี้ยังไงก็ยังไม่ตายโดยที่สุดแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจึงใช้ธรรมโอสถรักษาท่านพระอาจารย์มั่นพูดว่าเราพยายามรักษาด้วยยามาก็นานแล้ว จะพยายามรักษาด้วยยาธรรมดาต่อไปคงไร้ผลเราควรระ ง, งับด้วยธรรมโอส ด, ดูบ้างหากไม่หายก็ให้มันตายครูบาอาจารย์ท่านจึงเจริญกายคตาสติปกรรมฐานเป็นอนุโลมและปฏิโลมเพ่งแผดเผาภายในเพื่อเป็นวิหารธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่นานอาพาธก็สงบจึงปรากฏบาทคาถาขึ้นว่า ชาญีตปฏิอาทิโจพิจารณาได้ความว่าชาญแผดเผาเหมือนดวงอาทิตย์ฉนั้นในที่สุดอาการของท่านจึงค่อยทุเลาลงระหว่างนั้นเป็นสงครามอินโดจีนมีการพรางไฟไปทั่วจังหวัดในระหว่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นออกจากโรงพยาบาลไปพักที่ป่าเปร์เราได้แยกเดินทางกลับไปที่วัดร้างป่าแดงบ้านแม่กอย เพื่อกาบเรียนอาการอาภาษของท่านพระอาจารย์มั่นให้พระอาจารย์พรหมทราบในสมัยนั้นท่านพระอาจารย์พรหมเป็นหัวหน้าสำนักแม่ก่อยในตอนกลางคืนพระอาจารย์พรหมจึงประชุมพระเนถนถามในถ้ำกลางสงว่าท่านรูปใดจะอาสาไปปฏิบัติท่านพระอาจารย์มั่นเราจึงยกมือขึ้นว่ากระผมจะเป็นผู้อาสาปฏิบัติครูบาอาจารย์ และได้ชักชวนกูบาทองปานผู้เป็นาสตรธรรมิกเราทั้งสองจึงได้เดินทางเข้ามาที่เชียงใหม่เข้าไปพักที่วัดเจดีหลวงนานแดงกับนานพรมนำรถมารับให้ไปพักที่ป่าเปรเพื่อปฏิบัติพยาบาลท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักฟื้นอยู่เมื่อมาพักอยู่ได้สัปดาห์กว่าๆโยมเขียว ซึ่งเป็นอุปถาเก่าแก่ของท่านพระอาจารย์มั่นเอาปัจจัยมาถวายหนึ่งบาทพอตกตอนกลางคืนเราก็เข้าไปถวายการรับใช้ท่านเข้าไปกำปลายเท้านวดถวายการเรียนท่านว่าขอโอกาสครูบาอาจารย์จะสมควรหรือไม่ถ้าพรุ่งนี้จะนําเอาปัจจัยที่โยมเขียวนํามาถวายไปแลกเปลี่ยนเป็นนมให้ครูบาอาจารย์ฉันในตอนเช้าจะได้มีกําลัง แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะพิจารณาการเรียนแล้วก็นั่งฟังอยู่ในสมัยนั้นมีแต่นมข้นหวานตรามาลิราคากระป๋องละห้าสตางค์เท่านั้นท่านนิ่งไม่ตอบว่าประการใดท่านคงพิจารณาเพราะการอันใดก็ตามก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมเท่านั้นท่านไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องยิ่งไปกว่าธรรมเรื่องเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่ต้องประกอบไปด้วยธรรมเท่านั้น ท่านบอกว่าเราเป็นสมณะมาประพฤติ ธ, ธรรมทุกกิริยาอาการเยื่องอย่างบางอย่างโลกไม่นิยมชมชื่นแต่ถ้าประมวลลงแล้วว่าเป็นธรรมเราก็ต้องดําเนินตามนั้นทำแท้นั้นไม่ได้เอามาติที่ประชุมเห็นชอบแต่เอาใจที่บริสุทธิ์เห็นธรรมคนหมู่มากถ้ากิเลสหนาะปัญญาหยาบมีมากเท่าใดก็จะออกกฎอันเป็นไปเพื่อกิเลส เพื่อพวกพ้องตนฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมต้องเอาธรรมเป็นใหญ่ปลอดภัยกว่าการเอาตนเป็นใหญ่ปลอดภัยกว่าการเอาคนหมู่มากเป็นใหญ่เมื่อเป็นดังนั้นจึงก่าบเรียนท่านอีกว่าคนแจกต้องชันนมบำรุงบ้างร่างกายจะได้มีเรี่ยวแรงอาการไข้จะได้ฟื้นขึ้นกระผมขอนิมนต์ให้ลองชันนมดูบ้าง เมื่อกราบเรียนแล้วท่านแสดงอาการนิ่งอาการนิ่งของท่านนั่นแหละเป็นคำตอบได้เป็นอย่างดีเมื่อรุ่งเช้าขึ้นมาจึงให้นานแดงเอาเงินหนึ่งบาทที่โยมเขาถวายไปพิจารณานมข้นมากระป๋องหนึ่งเพื่อจัดถวายท่านในตอนเชา้าถ้าฉันนมแล้วมันมักจะถ่ายท้องท่านปฏิเสธเสียงแข็งกระผมคิดว่าควรจะลองดูหน่อยถ้าถ่ายท้องกระผมจะเช็ดทาความสะอาดเอง ครูบาอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงเราตอบท่านอย่างหนักแน่นเมื่อท่านฉันแล้วในที่สุดร่างกายจึงแข็งแรงกระปรี้กระเป่าขึ้นเป็นลำดับเมื่อปัจจัยซื้อนมหมดนานแดงก็ได้จัดมาถวายต่อจนอาการดีขึ้นท่านจึงหยุดฉันท่านฉันเพื่อเป็นสิ่งเยียวยารักษ า, าธาตุขันไม่ได้ฉันเพราะมัวเมาในรถอยู่ปฏิบัติท่านด้วยความเครารพเรื่มใสแม้ในขณะที่ท่านอาพาธอยู่นั้น สิ่งที่ท่านแสดงออกมีแต่ธรรมะล้วนๆอันเป็นเครื่องสอนเราผู้ไม่ป่วยประหนึ่งจะเป็นเครื่องเตือนเราอยู่เสมอว่าโรคได้จะสิ่งที่เสียดแทงทําลายความผาสุกแบ่งออกเป็นสองชนิดคือโรคทางกายกับโรคทางใจสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันว่าตนเองมีสุขภาพดีไม่ป่วยไข้ไม่มีโรคทางกายตลอดหนึ่งปี2ปีถึงรอปี หรืออาจจะมากกว่านั้นความปลอดภัยจากโรคทางกายนี้พอที่อาจจะมีได้บ้างแต่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลายที่จะสามารถยืนยันความไม่มีโรคทางใจไม่มีกิเลสแม้ชั่วระยะเพียงครู่หนึ่งนิดเดียวจะไม่สามารถหาได้และมีได้ในโลกนี้เว้นแต่เพียงพระพุทธเ จ, เจ้าพระขีณาสพพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะเว้นโทษคือโรคทางใจได้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 เพื่อที่จะได้ราบสัง ก, การะมาปนเพล่ความหิวโหยของใจที่ไร้ศีลธรรม 3. เมื่อจิตใจมันสกรปรกลามกเข้าเต็มเป่าแล้วย่อมพยายามวิ่งเต้นขวัญขวายเพื่อที่จะได้มาซึ่งความนับถือและราบสัง ก, การะและการสรนเสริญอย่างไรย้ยางอายหน้าด้านต่อศีลต่อธรรม 4. พระประเภทที่จิตใจเป็นอย่างนี้มักจะเข้าไปสู่สกุลที่ร่ารวย ทำทุกอย่างทุกวิถีทางที่จะให้เข้ามานับถือมักจะกล่าวทำรรมาปลอมๆ อ, อันไพรเราะเพราร ะ, พร ะ, ะพริง้งเป็นฉากหน้าซ่อนเร้นความละโมบโลภมากไว้ในเบื้องหลังแสดงตนเป็นประหลดไม่มีความโลภ ท, ทั้งทั้งที่มีความโลภจัดมีขันติอดทนอดกลั้นเพื่อให้เขามานับถือโรคทั้งสี่อย่างที่ผมกล่าวมานี่แหละให้พวกท่านระวังมันร้ายกว่าโรคที่ป่วยอยู่ซสอีก ขอให้พวกท่านจงนําไปพิจารณาอย่าป่วยอยากให้เฉยเฉยโดยไม่เห็นคุณเห็นโทษไม่งั้นจะแก้ไม่ได้ใช้การไม่ทันเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเราพรยายามปฏิบัติท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เป็นเวลาสมเดือนอาการอาภาษของท่านก็ดีขึ้นเรื่อยๆจิจวัทยที่ต้องทําถวายท่านพระอาจารย์มั่นเป็นประจำคือในตอนพบค่ําเข้าไปถวายการบีบนวดเวลานวดท่าน ให้เอาเมื่อกำรรตามแขนตามขาท่านกำรรย้ายไปย้ายมาอยู่อย่างนั้นทำด้วยวิธีอย่างนี้คืนละหลายๆายชั่วโมงวิธีการนวดกำรรแบบนี้ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณุประมาจา์เคยบอกกับท่านพระอาจารย์มั่นว่าพวกพระเนรหนุ่มธาตุไฟดีถ้ามาบีบมากำตามแขนตามขาให้คนแจ่แจไฟธาตุมันช่วยได้มากทำการบีบกำนวดอยู่อย่างนี้สมเดือน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 ที่กาลังสัมผัสเพ่งพิษพินิษ์พิจารณาอยู่ภาษาธรรมที่เขาร้องเอื้อนด้วยความไม่มีสตินั้นกลับย้อนเข้าสู่ดวงใจที่กําลังเพ่งพิษธธรมนั้นอยู่จิตนั้นก็รวมลงสู่ฐานของจิตโดยฉับพลันเพลงขับนั้นเขาร้องเป็นภาษาอีสานว่าทุกอยู่ในขันหาห้มลงมากขันซีทุกอยู่ในผ้าอ้อมปอมผ้าหายห้ม อ, อายอยู่ผู้เดียว ถูกอยู่ในโลกนี้มีแต่สิท่ท้นถูกอยู่ในเมืองค้นมีแต่ตนเดียวหายถูกอยู่ในขันหารวมลงมากขันซีถูกอยู่ในโลกนี้ล่งคอยอยูุผููเดียวเขาร้องเป็นทํานองภัยราะมากบางคราวสงสัยเรื่องนิมิต ท, ที่เกิดกับจิตจึงนําเรื่องนี้ไปกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่าครูบาอาจารย์ถ้านิมิตเกิดขึ้นในขณะภาวนาจะให้กระผมทําอย่างไร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 ต้องพิจารณาให้ชำนาญแล้วเป็นปฏิภาคนิมิตเมื่อชำนาญทางปฏิภาคทวนกระแสเข้ามาเป็นตนปฏิภาคนั้นเป็นส่วนวิปัสนาสำหรับอุปจารสมาธิสามารถรู้วาราจิตของผู้อื่นได้สามารถแก้หนี้วอนได้แต่โมหะคลุมจิตถ้าเจริญวิปัสนาถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วจะต้องทำความรู้ให้เต็มเสียก่อนจิต จ, จึงจะไม่อ่อนไหว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 ไม่อิงอามิตรลาบสันเสริญวาจาตรงไปตรงมาตามอริยสัจ ต, ตามความรู้ความเห็นอ้างอริยสัจเป็นหลักฐานสเสมอกายวาจาใจเป็นอาชาในล้วนท่านพระอาจารย์มั่นประพฤติตนเป็นคนขวนขวายน้อยหมดจดในข้อวัดและหมดจดในธรรมะผลวิสัยเทว ด, ดาและมนุษย์ที่จะติเตียนท่านได้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 ท่านมีระเบียบแม้จิตเล็กๆน้อยๆก็เป็นระเบียบหมดท่านพระอาจารย์มั่นท่านพูดคำโน้นคำนี้อยู่เสมอเพื่อจะให้สานุสิทธิหลงเพื่อละอุปาทานในสิ่งนั้นๆท่านทํำสิ่งที่บุคคลไม่ดำริไว้สิ่งใดดาริไวท่านไม่ทานี้ส่อให้เห็นว่าท่านไม่ทาตามตัณหาของบุคคล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 พร้อมกันมาอาราธนานิมนต์ท่านให้ไปโปรดทางจังหวัดสกลนครในปลายปีพุทธศักราช2484ท่านเข้าไปพักที่วัดป่าสุทาวาสสกลนครขณะที่ท่านพักอยู่นั้นมีพระเนนพากันมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านมิได้ขาดท่านพักวัดป่าสุทาวาสครั้งนั้นมีคนมาขอถ่ายรูปไว้กราบไหว้บูชา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 ที่วัดดอนธาตุอําเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีอยู่กับหลวงปู่เสาได้ประมาณ3าถึงสเดือนหลวงปู่เสาก็ป่วยหนักขึ้นและเมื่อลุงปู่เสาท่านหายเป็นปกติแล้วท่านก็เดินทางไปทําบุญอุทิศให้พระอุปชาของท่านซึ่งอยู่ที่ลีผีประเทศลาวเมื่อท่านหลวงปู่เสาเดินทางไปแล้วเราและพระเพ่งผู้เป็นหลานของหลวงปู่เสา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 ตามคานิมนต์ของโยมคําตันได้พาพระเนนทั้งหมดไปพักอย่างวัดอัมมาตนะครจำปาสัก์ประเทศลาวมุ่งเพื่อจะไปให้ท่านหลวงปู่เสาแต่คลาดกันท่านหลวงปู่เสาได้ลงไปที่หลีผีก่อนตอนจากนั้นได้ถุดงต่อไปที่ห้วยสาหัวเขตนครจำปาศักห่างจากตัวเมืองราวสิบกว่ากิโลเมตรพักอยู่ที่นี่ราวสี่เดือน เป็นหมู่บ้านที่มีผู้อยู่อาศัยราว18หลังคาเรือนในการพุดดงครั้งนี้พักอยู่กับพระเพ่งสององค์เพียงเท่านั้นในการต่อมาพระกูมาวัดอํมมาตให้คนถือจดหมายมาบอกให้ทราบว่าท่านหลวงปู่เสาป่วยหนักและท่านกําลังจะเดินทางมาโดยทางเรือมาถึงนครจำปาสักรประมาณห้าโมงเย็นให้เรากับพระเพ่งมารอรับท่าน เรือของหลวงปู่เสาจะมาถึงนครจาปาสักรประมาณห้าโมงเย็นเศษเมื่อเรือของหลวงปู่เสามาถึงเรากับพระเพลงก็ลงไปรับท่านในเรือพบว่าหลวงปู่เสาท่านมีอาการหนักมากจึงจัดปลยหามเข้าไปในวัดอมบาตพาท่านเข้าไปในพระอุโบสถท่านก็ทำกิริยาให้ประคองท่านขึ้นกราบพระเราก็ช่วยประคองท่านขึ้นเพื่อกราบพระเมื่อกราบ พระลงครั้งที่สสังเกตเห็นท่านกราบนานผิดปกติจึงจับชิปอรจอดูจึงรู้ว่าชิบปอรจอไม่ทำงานพระทั้งหลายที่อยู่ในพระอุโบสถก็ว่าลงปูเสามรณาภาพแล้วลงปูเสามรณาภาพแล้วเราจึงตะโกนพูดขึ้นว่าปูยังไม่มรณาภาพตอนนี้ปูเข้าสมาธิอยู่ใครไม่รู้เรื่องอย่าเข้ามายุ่ง จึงพยุงท่านจากอิริยาบถนั่งมาเป็นอิริยาบถนอนแต่ทําได้ยากพระท่านมีอาการจะดับขันอยู่แล้วขณะที่ประยุงให้ท่านนอนลงนั้นสังเกตเห็นมีพระเนนร้องไห้อยู่หลายรูปจึงไล่พระเนนเหล่านั้นออกไปเมื่อลุงปู่เสาเข้าสู่อิริยาบถนอนท่านก็หายใจยาวๆสามครั้งแล้วท่านก็ถึงแจกมรณกรรมเมื่อเวลา1 7 3 0จ น, นวันที่สมกุมภาพันธ์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 เป็นจากเอลงมาอาการปวดขยายออกไปทั้งตัวเดินไม่ได้ครูบาทองปานซึ่งเป็นสะธรรมิกที่เคยอยู่เชียงใหม่กับหลวงปู่มั่นด้วยกันได้ทำยาขึ้นมาขนาดหนึ่งโดยเอาเข้าวสารแช่น้ำและตำเป็นน้ำแป้งขาวๆประมาณ 4-5 หขวดเหล้าแล้วเอาบรพเพชรกำใหญ่มาตำแล้วเอาน้ำใส่ กรองได้น้ำบรเพชรพอประมาณ 4-5 หขวดเหล้าเหมือนกันเสร็จแล้วเอาน้ำแป้งและน้ำบรเพชรที่ตำนั้นผสมกันแล้วเอาไปฝังทั้งขวดไว้ที่ใต้บันไดบ้านสมคืนจึงขุดเอามาฉันเวลาฝังให้จุกขวดโผล่จากดินประมาณหนึ่งนิ้วฟุตตามพระวินัยน้ำแป้งข้าวนั้นเพราะจะฉันนอกเวลาไม่ได้ จึงต้องฉันระหว่างเช้าถึงเที่ยงยานี้ฉันประมาณสามวันโรคที่เจ็บปวดตามเส้นนั้นก็หายไปตำรายานี้เป็นตำรายาของท่านพระอาจารย์สิงขันตยาคโมมีคุณสมบัติแก้ไขมาลาเรียได้ด้วยขนาดของยาที่ฉันนี้ให้ฉันวันละหนึ่งขวดเหล้าจนยาหมดระหว่างที่เราป่วยอยู่นี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเมตตาจัดอาหารมาให้ฉัน แต่เราไม่ฉันกราบเรียนท่านกลับไปว่าครูบาอาจารย์ถ้าจะตายก็ให้มันตายไปเถอะแต่ก็ไม่เป็นอะไรต่อมาอีกสองวันก็หายเป็นปกติท่านพระอาจารย์เกียจจุนโดดำเนินตามรอยครูบาอาจารย์ของท่านท่านชอบทุ ด, ดงไปตามที่ต่างๆในประเทศไทยท่านเดินทุ ด, ดงไปมาแล้วแทบทุกภาค เมื่อออกพรรษาปีพุทธศักราช2485แล้วท่านก็กราบลาท่านพระอาจารย์มั่นออกเที่ยวทุดดงไปตามสถานที่ต่างๆช่วงแรกๆท่านวนเวียนอยู่ในรัศมีของท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่ป่าช้าบ้านนาสีนวลบ้างดอยธรรมเจดีบ้างหนองน้ำเขมบ้างเข้าไปทางอุดร อ, อุบลมุกดาหารบางทีก็เที่ยววีเวกไปตามเทือกเขาภูพานหรือบางที ท่านก็ข้ามไปฝั่งลาวชั่วระยะการที่สะดวกตามปกตินิสัยของท่านที่ชอบอิสระและเป็นอิสระเต็มตัวแล้วไม่กังวลกับสิ่งใดในโลกแล้วแต่จะไปที่ใดก็าตามมักจะวนเวียนเข้ามากราบท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นเจ้าชีวิตและเป็นผู้ให้ประทีปธรรมแก่ท่านเนื่องจากท่านจากภาคตะวันออกอันเป็นบ้านเกิดมานานเป็นเวลา8ปีแล้ว เฝานึกถึงบุญคุณของบิดามารดาอยู่อยากจะทดแทนคุณของท่านด้วยอัดด้วยธรรมแทนข้าวน้ําปลาอาหารทรัพย์สินเงินทองประกอบกับทราบว่าโยมมารดาป่วยจึงเป็นโอกาสดีที่จะโปรดโยมมารดาท่านจึงทุดองย้อนกลับมาทางจังหวัดจันทบุรีมาที่เนินเขาแจ้วแล้วเดินทางต่อไปยังวัดสายงามบ้านหนองบัวอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีอยู่สองปีปีพุทธศักราช2490เรากลับจากคูบาจายนมั่นแล้วตอนนั้นจะพิจารณาอะไรก็รวดเร็วดังใจใจมีหลักแน่นอนไม่กังวลอะไรพอดีมาพบท่านพระอาจารย์จยันเขมปะโตและท่านพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตซึ่งท่านพักจำพรรษาอยู่ที่วัดไทยงามแห่งนี้เมื่อท่านพระอาจารย์ทั้งสองเห็นเราเข้า ท่านก็ถามขึ้นว่าเยอะเอ้ยท่านไปอยู่กับครูบาอาจารย์มั่นตั้งหลายปีพวกเรานี้จากท่านพระอาจารย์มั่นมาตั้งนานแล้วคิดถึงท่านอยากฟังธรรมอยากรับโอวาทอันเป็นอุบายอันแยบคายอันนำมาซึ่งธรรมปีติพอดีแหละที่ท่านมาท่านมาอยู่นามูที่นี่พวกผมจะไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นท่านจงเฝ้าวัด หลังจากนั้นก็อยู่เฝ้าวัดเป็นเจ้าอาวาสอยู่ถึงสองปีแต่ก็ไม่มีใครกลับมาอีกเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงมาพิจารณาว่าเรามาเพื่อโปรดยมบิดามารดาไม่ได้มาเฝ้าวัดการมาอยู่ในสถานที่นี้ก็นานพอสมควรด้วยอุปนิสัยที่ชอบท้องถ้ำชอบป่าเขาที่สงบสงัดจึงเดินทุ ด, ดงไปทางภาคใต้อันเป็นสถานที่ที่ท่านพ่อลีเคยไปประกาศ าศาสนธรรมมาแล้วเมื่อลงทางภาคใต้เข้าไปพักที่วัดมเหยงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วทูดงต่อไปยังจังหวัดชุมพรจำพรรษาที่จังหวัดชุมพรหนึ่งพรรษาอาศัยอยู่ตามถ้ำตามป่าเข้าไปภาวนาในถ้าแห่งหนึ่งใกล้ๆจังหวัดชุมพรชื่อว่าถ้ำขวัญเมืองอยู่ที่นี่นานหน่อยตกแต่งถ้ามีกำนันและมีคนเข้ามานับถือมาก นิมนเราเป็นเจ้าอาวาสเขาบอกว่าจะหาเงินมาช่วยสร้างวัดเมื่อเราเห็นเป็นดังนั้นกลัวจะเป็นภาระผูกพันจึงทุดดงต่อไปยังจังหวัดสงขลาไปทางอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาหม่อมวัดขวรมิตรบ้านพุวัดขวรจงแล้วไปในเม็ดถึงท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านพุปัจจุบันเขาเรียกว่าห้วยยางชื่อว่าวัดก่อไม้พอกการทุดงในทางภาคใต้ในคราวนี้คือเรา พุทธศักราช 2,492 ปีที่ทุดงไปทางภาคใต้นั้นเป็นปีเดียวกันกับที่ท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพวันที่ท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพนั้นเกิดนิมิตว่าเห็นท่านพระอาจารย์มั่นนอนเปลือยกายอยู่ในในิมิตรนั้นชัดเจนมากเหมือนกับว่าท่านอยากจะมาแสดงอะไรบางอย่างให้รับรู้เพราะท่านทราบว่า ในชีวิตของเรานี้เรารบรักท่านเป็นที่สุดชีวิตจิตใจนี้มอบให้ท่านได้เลยไม่เสียดายถ้าต้องตายเพื่อท่านเพราะท่านเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณล้นเกล้าล้นกระม่จริงจริงการที่พระสาวกมีพระอานน์เป็นต้นกล้าผีชีพแทนพระพุทธเจ้าในขณะที่ช้างนาราคิรีกระโจนตกมันโถมเข้ามาเพื่อจะทำลายพระพุทธองค์พระอานน์กล้าเอาชีวิต ของท่านเข้าขวางกั้นไว้ก็เพราะความถึงใจด้วยสายใยแห่งธรรมอย่างนี้เองความเคารพในท่านพระอาจารย์มั่นก็ถึงใจอย่างนั้นเหมือนกันตอนที่อยู่กับท่านทำหน้าที่อะไรอะไรก็ตามต้องให้ได้ดีทั้งหมดให้สะอาดให้เรียบร้อยและทำให้ได้ทำให้ดีถ้าไม่ดีทำ ใ, ให้มันจนดีจนได้จนพอใจจึงจะยอมหยุด เมื่อเกิดนิมิตในตอนกลางคืนพอตอนเช้าในวันนั้นนั่นเองได้ออกเที่ยวบินทบาทก็ได้ถามลุงกายก่อนแล้วว่ามีข่าวท่านพระอาจารย์มั่นบ้างไหมแกบอกว่าไม่มีเราก็เอ๊ะอยู่ภายในใจลึกๆสักประเดี๋ยวท่านพระครูก็ให้คนมาบอกว่ามีข่าววิทยุว่าท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วเมื่อทราบข่าวแล้วเราก็รีบกลับลงกรุงเทพ แล้วเดินทางต่อมาจังหวัดจันทบุรีเพื่อสมทบกับท่านพอลีที่วัดป่าคลองกุ้งท่านพอลีทราบล่วงหน้าว่าเราจะมาท่านก็ไม่ยอมลงปาติโมกนั่งรอจนค่าจนกว่าเราจะมาทางทั้งที่มิได้นัดหมายกันเรากับท่านพอลีจึงเดินทางไปสกลนครเพื่อร่วมงานศพท่านพระอาจารย์มั่นทันทีเมื่อไปถึงงานศพท่านพระอาจารย์มั่น น้ำขาดแคลนมากหลวงปู่ฟั่นอาจารโรสั่งให้เรารับหน้าที่ดูแลเรื่องน้ําจึงจําเป็นต้องไปขุดบ่อเองเพราะว่าคนทั้งหลายที่ท่านพระอาจารย์ฟั่นให้ไปขุดบ่อนั้นน้ําไม่ออกอีกหน้าที่หนึ่งคือจัดปรําพิธีจัดแจงดูแลเสนาสนะยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่ท่านพระอาจารย์ฟั่นมอบหมายให้ทําเป็นพิเศษคือต้องคอยไล่ต้อนพระเนนที่แอบไปดูหนังที่เขานํามาฉาย ในงานศพนั้นด้วยเวลาเขาถ่ายภาพในงานศพเราจึงไม่ได้ถ่ายเพราะมัวแต่ทำงานยุ่งอยู่เมื่อเสร็จจาก ง, งานศพท่านพระอาจารย์มันแล้วก็ทุดงไปในที่ต่างๆแล้วก็ย้อนกลับมาทางบ้านเกิดคือจังหวัดจันทบุรีเพื่อโปรดโยมมารดาอีกครั้งหนึ่งและโยมมารดาก็เสียชีวิตในปีพุทธศักราช2493ท่านพ่อลี จึงนิมนต์ให้เรามาสร้างวัดเขาแจ้วตำบลท่าช้างจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493เป็นต้นมาเรื่องราวตอนหนึ่งที่เขียนจารึกไว้ในประวัติวัดเขาแจ้วว่าท่านพระอาจารย์เกียท่านมาเป็นเจ้าอาวาสปีพุทธศักราช2497ถึง2503เป็นผู้ปรับปรุงปฏิสังขรณ์วัดนี้ ให้เป็นวัดที่มีสภาพมั่นคงเพราะเดิมวัดนี้ไม่มีอะไรถาวร น, นอกจากมีสาราเพียงหลังเดียวนอกนั้นเป็นกุฏิชั่วคราวความทุดโทรมก็มีมากขึ้นท่านพระอาจารย์เกี้ยจึงติดต่อให้ญาติโยมผู้มีศรัทธาสร้างกุฏิถวายสร้างด้วยคอนกรีตสีหลังมั่นคงถาวรมากนับว่าในขณะนั้นมีเพียงวัดเดียวเท่านั้น ในคณะกรรมฐานที่มีกุฏิตึกอยู่ด้วยความสามารถของท่านพระอาจารย์เจี๊ยนี้เองท่านจึงจัดสร้างศาลากา ร, รเรียนขึ้นใหม่หลังใหญ่โตมากในบรรดาศาลาด้วยกันแล้วในจังหวัดจันทบุรีต้องยกให้วัดเขาแจ้าเพราะเข้าไปในศาลาเหมือนเข้าไปในโบสถ์พระเจ้าเพราะเยือกเย็นเหมือนกันพื้นที่ในบริเวณวัดท่านก็พระธนาจนเป็น ร, รมณียสถานน่าอยู่น่าอาศัย มีผ ล, ลไม้ดกหนาหน่าดูน่าชมเช่นเงาะกระ thon ทุเรียนพระอุโบสถก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของท่านที่สร้างไว้ที่วัดเขาแจ้วเมื่อท่านสร้างพระอุโบสถเสร็จท่านก็จัดฉลองนิมนต์พระกรรมฐานมาอย่างยิ่งใหญ่นับว่าท่านพระอาจารย์เกีย้ยเป็นผู้มีคุณูปการต่อวัดเขาแจ้วเป็นที่สุดหลังจากนั้นท่านก็ได้รับพระาชทานสมณศักดิ์พันยศ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระครูชั้นโทที่พระครูสุทธ่ทำรังสีท่านพักอยู่ที่วัดเขาแจ่วนี้มีผู้มาสนทนาธรรมอยู่เสมอเสมอแม้ราชวงศ์ชั้นสูงก็มากราบท่านเช่นพระนางรำไพพันนีมัมบัวแม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏก็ได้อราราธนานิมน์เพื่อทําพัตกิจในพระราชวังเช่นเดียวกัน นอกจากท่านจะเป็นที่พึ่งทางธรรมแก่ประชาชน ญ, ญาติโยมแล้วยังเป็นหนึ่งในเพชรเม็ดงามสายกรรมฐานของพระอาจารย์มัน่นในบางคราวที่พักอยู่ที่วัดเขาแจ้วกูบาจารย์ฝ่ายกรรมฐานมักจะแวะเยี่ยมทรมาชากัดฉาสนทนาธรรมกับท่านเสมอๆ เ, เช่นหลวงปู่หลุยจันดสารโรหลวงปู่ชอบฐานะสมโมหลวงปู่เรียนวราลาโภ หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระอาจารย์วันอุตมโมพระอาจารย์จวนกุลเชิดโถพระอาจารย์สุวัสด์สุวจโจพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมบารโวหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์วันพระอาจารย์จวนพระอาจารย์สิงห์ทองท่านเหล่านี้เขารบรากท่านเป็นพิเศษไม่อยู่ครั้งหนึ่งท่านเหล่าว่าในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านพระอาจารย์ฟั้นอาจารโรพระอาจารย์บวันท่านเป็นองค์แสดงธรรมเมื่อพระอาจารย์บวันขึ้นไปบนธรรมาทเหลือไปเห็นเรานั่งอยู่ไกลๆท่านรีบลงมาจากธรรมาททันทีแล้วดิ่งเข้ามากราบเพื่อแสดงคารวะธรรมจึงขอโอกาสขึ้นแสดงธรรมในระหว่างที่เราอยู่วัดเขาแก้วนี้ได้สร้างวัดถวายหลวงตามหาบัวที่สถานีทดลองการเกษตรแหลมสิง จังหวัดจันทบุรีกมที่ 3-4-7 ซึ่งท่านพระอาจารย์มหาบัวก็ได้นำโยมมารดามาพักจำพรรษาที่วัดแห่งนี้หนึ่งพันษาด้วยปีพุทธศักราช2504ถึง2506ท่านพระอาจารย์เจียได้ไปจำพรรษากับหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดไปช่วยหลวงตาปลูกต้นไม้ดูแลเรื่องป่าตลอดจนสร้างเสนาสนะในยุคแรกเริ่ม ท่านหลวงตามาหาบัวได้เล่าความตอนหนึ่งถึงหลวงปู่เจี้ยว้ ว, ว่าท่านพระอาจารย์เจี้ยเป็นพระดีมากนะบริขารของหลวงปู่มั่นท่านพระอาจารย์เจี้ยนี่เองเป็นผู้รักษาเป็นประจำนะตั้งแต่ไหนแต่ไรนะอุ้ยท่านละเอียดละออมากนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรของหลวงปู่มั่นแล้วใครไปแตะไม่ได้นะท่านเรียบร้อยหมดทุกอย่างท่านเป็นพระที่ละเอียดละออมาก กุลเรื่องภายในเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองคือกิริยาภายนอกของท่านไม่น่าดูนะแต่กิริยาภายในของท่านน่าดูมากนะคนเราแต่ละคนละคนนิสัยไม่เหมือนกันแม้มาบวชแล้วนิสัยนั้นไม่ได้บวชด้วยนะบวชแต่เพศเช่นโกนผมคลองผ้าคองกิริยาการเคลื่อนไหวไปมาตามหลักธรรมหลักวินยัยอันนี้ตายตัวเหมือนกันเคลื่อนอย่างอื่นไม่ได้นะ ขึ้นไปตามหลักธรรมหลักวินัยให้ถูกต้องถูกต้องไปตามหลักธรรมหลักวินัยแต่กิริยานิสัยที่เป็นไปตามนิสัยเดิมของตนซึ่งไม่ผิดธรรมวินัยอย่างนี้แล้วแต่ใครจะใช้ไปตามนิสัยของตนอันนี้แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดงไว้ว่าผู้ที่ละนิสัยวาสนาได้ขาดมีตถาคตองค์เดียวฟังสินะตะถาคตองค์เดียว นอกนั้นเป็นนิสัยของตัวเองทุกคนจำไว้ว่านิสัยคือไม่ได้กระเทือนถึงธรรมถึงวินยัยเป็นกิริยาความเคยชินของแต่ละรายรายแสดงออกเองไม่ผิดธรรมผิดวินัยนั้นเรียกว่านิสัยอย่างหลวงปู่เกีย้ยนี่ท่านก็เป็นนิสัยบ ง, บงบงเบงเบงนี่เรียกว่าเป็นนิสัยอันนี้อันหนึ่งนะแต่ภายในของท่านดีนะก็เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วนี่ ภายในของท่านดีภายนอกของท่านเป็นอย่างนี้แหละผ้าคีริ้วห่อทองเหมือนผ้าคีริ้วห่อทองใครจะไปยึดกริยามารยาทภายนอกมากกว่าภายในซึ่งเป็นของสําคัญจะทําให้เสียเสียได้ในหัวใจของผู้ไปคิดนั่นแหละภายในของท่านดีในใสายของท่านบงบงเบงเบงอย่างนั้นดีภายในนี่แหละเราถึงได้เตือนเสมอเรื่องภายในกับภายนอกมันไม่เหมือนกัน คือนิสัยท่านละเอียดภายในนะแต่กิริยาภายนอกของท่านเป็นอย่างนั้นคือท่านเคยอยู่ร่วมกับเรามานานมันรู้เรื่องกันดีอาจารย์เจี๊ยนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองเราจึงบอกว่าภายในท่านละเอียดละ อ, อตรงไปตรงมานี่หนึ่งละเอียดละ อ, อทุกอย่างไม่งั้นแล้วท่านจะเข้าไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไม่ได้ง่ายๆนะ กิริยาอย่างนี้จะเข้าไปหาท่านไม่ได้พูดง่ายๆนะแต่ทําไมถึงสนิทกันเหมือนพ่อกับลูกเลยอาจารย์เกีย้ยกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเวลาเข้าหากันนี้เหมือนพ่อกับลูกกิริยาบงเบงบงเบ้งแบบนี้ธรรมดาเข้าหาท่านไม่ได้นะแต่ทําไมท่านอาจารย์เกียจึงเข้ากับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นได้สนิทนักท่านพระอาจารย์เกียท่านออกจากวัดป่าบ้านต่านแล้วท่านก็เดินทาง ไปจำพรรษาที่วัดถ้ำกองเพลนร่วมกับหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งเป็นพระที่ท่านเคารพอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนหนึ่งด้วยท่านพระอาจารย์มั่นเคยฝากฝังท่านไว้กับหลวงปู่ขาวเพราะตามปกตินิสัยท่านพระอาจารย์เกี้ยวแล้วท่านเป็นคนสบายๆกิริยาภายนอกของท่านบางคนเห็นแล้วอาจจะตําหนิได้พระอาจารย์มั่นเป็นห่วงกลัวบุคคลอื่นหรือพระ อ, อื่นจะไม่เข้าใจ จึงฝากฝังท่านไว้กับหลวงปู่ขาวให้ดูแลมีข้อความตอนหนึ่งที่พระอาจารย์จันาทาถาวโรถามพระอาจารย์เจี้ยตอนที่จำพรรษาร่วมกันที่วัดถ้ำกองเพลนเรื่องนิสัยวาสนาของท่านว่าหลวงปู่กริยาของหลวงปู่เป็นอย่างนี้จะไม่กลัวคนเขาตาหนิเอาบ้างหรือท่านพระอาจารย์เจี้ยจึงตอบว่ากริยาภายนอกจะเป็นอย่างใดก็ตาม แต่ถ้าหากเรามุ่งมั่นปั้นใจจนเที่ยงดีก็ดีกว่าคนที่กิริยางามแต่ใจไม่เที่ยงเพราะนิสัยคนเรามันไม่เหมือนกันเป็นยังไงหลวงปู่ภาวนาจะพ้นทุกข์ไปได้บ้างไหมท่านพระจันจันทาย้ำถามการภาวนาของผมนี้รอดพ้นได้แล้วนะคําว่าเจีย๊ยบเจี๊นี้ไม่คืนมาอีกแล้วเพราะภาวนาสมัยนั้น ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นที่วัดโนนนิเวศ ท, ท่านพระอาจารย์จันทาจึงถามอีกว่าโลกสาไม่กลับคืนมาอีกแล้วหรือปู่ท่านพระอาจารย์เกียจจึงตอบว่าไปเลยแหละไม่คืนมาเป็นชี้ค่าราค่าตันหาของใครอีกไม่คืนมาอยู่บนโลกนี้กับหมู่เพื่อนทั้งหลายอีกแล้วหรือปู่ท่านพระอาจารย์จันทาถามยำ้ำโอ้ ถ้ายังมีการคืนมาอยู่มันไม่ใช่พระนิพานพระนิพานแปลว่าสถานที่เยี่ยมลำเลิศประเสริฐสุดหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีไม่มีพบชาติสังขารแล้วเพราะฉะนั้นผมเองจึงมาอยู่ร่วมกับหลวงปู่ขาวเพราะหลวงปู่ขาวพูดจริงแนะนำสิ่งที่ดีทุกอย่างไม่พูดโกหกหลอกลวงใครทั้งนั้นคำพูดเช่นนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยัน คุณธรรมของท่านได้เป็นอย่างดีเมื่อออกจากวัดถ้ำกองเพลนแล้วท่านพระอาจารย์เกียรก็ได้ย้อนกลับมาจำพรรษาทางภาคกลางคือวัดอโศการามที่ครูบาอาจารย์ของท่านคือท่านพ่อลีธรรมัทโรจนถึงพุทธศักราช 2,518 ปลายปีพุทธศักราช 2,518 ท่านก็ได้กลับไปที่วัดเขาแก้วอีก พักอยู่เขาแจ้วได้ไม่นานนักทราบข่าวว่าลุงปู่ขาวป่วยหนักท่านจึงละทิ้งภาระทั้งปวงกลับไปยังจังหวัดอุดรธานีเพื่ออุปถากลุงปู่ขาวอนารโยซึ่งเป็นพระที่ท่านเคารพสูงสุดรูปหนึ่งเมื่อลุงปู่ขาวอาการอาภาษดีขึ้นแล้วท่านก็ย้อนกลับมาที่วัดอโศกา ร, รามเนื่องจากพระกรรมฐานที่เป็นศิทธิ์สายท่านพระอาจารย์มั่นที่มีหลักจิตใจมีน้อย ท่านอยู่ที่วัดอโศกา ร, รามได้ไม่นานนักสมเด็จพระญาณสังวรนได้นิมนต์ท่านไปจําพรรษาที่วัดยานสังบรารามอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีสพรรษาพรรษาที่ท่านจําที่วัดยานสังบรารามนี้ท่านอบรมลูกศิษย์ทางภาคปฏิบัติแบบเข้มขน้นตามแบบที่ท่านพระอาจารย์มั่นสอนมาด้วยเหตุไม่สะดวกอะไรบางอย่างตามนิสัยวาสนาของท่านท่านจึงเดินทางกลับไปที่วัดอโศกา ร, ราม เพราะว่าหลวงตามหาบัวเห็นว่าที่วัดอโศการามไม่มีพระที่มีหลักกิตหลักใจแต่เมื่อท่านมาอยู่วัดอโศการามพระเนนก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังท่านมากนักมักมองท่านด้วยสายตาว่าเป็นพระแฉะเลอะเลือนไม่มีความหมายพระบางองค์ถึงขนาดว่าท่านเป็นบ้าท่านพระอาจารย์เจียเล่าว่าพระทุกวันนี้มักติดรูปแบบในการปฏิบัติมากกว่าการปฏิบัติจริง เพื่อถึงความพ้นทุกข์ดังคําที่ว่าโลกชอบแต่ทรรมชังหรือทำชอบแต่โลกชังสาเหตุเพราะว่าทุกๆคนมองแต่กิริยาภายนอกอันเป็นไปตามแบบสบายๆเมื่อเป็นดังนั้นท่านจึงสลดใจออกเที่ยวทุดงไปยังที่ต่างๆอันเป็นที่สบายกายกจิตเป็นวิหารธรรมท่านขึ้นไปทางภาคเหนือเขาจีนแลจังหวัดลบบุรี ถ้ำช้างร้องอันเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัด ต, ตากกับจังหวัดลําพูนอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงตามปกตินิสัยของท่านพระอาจารย์เจียท่านชอบทํามากเมื่อสิทธิของท่านออกเที่ยวทุดงแล้วมาป่ารบว่ามีถ้าอยู่ตรงโน้นตรงนี้ท่านก็มักจะเดินทางไปภาวนาที่ถ้านั้นๆถ้าช้างร้องนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ท่านไปโปรดเทวดาและมีเรื่องราวพิสดารเกี่ยวกับพวกกายทิพย์ อันนี้จะมีเล่าในประวัติฉบับพิสดารของท่านทางที่ไปมาที่ถ้ำช้างร้องนี้ลำบากมากต้องนั่งเรือเป็นเวลาหลายชั่วโมงไม่มีผู้คนสัญจรไปมาต้องอาศัยบินทบาดกับชาวประมงที่อยู่ตามแพแต่ท่านก็อุตส่าห์พยายามเดินทางไปภาวนาเพราะตามปกตินิสัยของท่านชอบที่สงบสงัดเปลี่ยวกายกจิตไม่คุกคลีด้วยหมูคนะ่คณะ เหมือนกับครูบาอาจารย์ของท่านคือท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อออกจากถ้ำช้างร้องแล้วท่านก็เดินทางไปทางจังหวัดตากอำเภอแม่สอดไปอยู่ตามดอยมูเซอร์ห้วยดงพงลึกอาศัยบิณรบาตกับพวกชาวเขาชันไปวันบันห้วยปลาหลดก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ท่านชอบไปเที่ยวภาวนาออกจากห้วยปลาหลดแล้วท่านก็เดินทางไปที่ถ้าอินท น, นินถ้าอินท น, นินนี้ ท่านเคยปารบไว้ว่าถ้าหากท่านตายให้ลูกศิษย์หามท่านมาตายที่ถ้ำอินทนินนี้ท่านพระอาจารย์เกียท่านชอบเที่ยวภาวนาตามป่าตามเขาตามถ้ำตามเงื้อผาแต่โดยที่สุดแล้วท่านก็จะย้อนกลับมาที่วัดอโศการามอันเป็นเสมือนวัดแม่เพราะท่านถือว่าท่านพ่อลีเป็นบุพกาจารย์ของท่านเมื่ออยู่วัดอโศการามได้พอสมควรแล้ว ปีพุทธศักราช 2,527 คณะสิทธยาณุสิทธ์ของท่านหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนได้ถวายที่ดินที่บ้านคลองสะตำบลคลองควายอําเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีแก่หลวงตาหลวงตาก็ได้พิจารณาว่าพระที่เหมาะสมสมควรเป็นครูบาอาจารย์ก็คือท่านพระอาจารย์เจี้ยหลวงตา จึงให้ลูกศิษย์ไปนิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดป่าภูริทัตต์ปฏิปทารามซึ่งเป็นฉายาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเมื่อท่านพระอาจารย์เกี้ยหรือพระครูสุทธิธรรมรังสีได้ปฏิบัติพัฒนาวัดจนเป็นที่เจริญรุ่งเรืองท่านจึงได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอกเมื่อวันที่หธันวาคม พุทธศักราช2535ท่านได้สืบสารปฏิบัติาศาสนาจิตและปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันปัจจุบันท่านพระอาจารย์เกียะมีอายุ86ปี6 4สิบพรรษาท่านมีร่างกายอันงอมระงมด้วยอาพาธแต่ท่านยังแสดงนิสัยอาถารอาชานัยควรแจการสาการะบูชาสมเป็นพระมหาเถรผู้เท่า เป็นรัตตันยูพระมหาเถระผู้ทรงคุณเช่นนี้เป็นผู้อันใครๆใครไม่พึงดูหมิ่นได้แต่สำหรับธรรมะภายในของท่านนั้นสว่างสดใสสุดที่ใครๆจะบังอาจคาดเดาได้ท่านได้ก่อสร้างเสนาสนะที่วัดป่าภูริทตาปฏิปทารามนี้ไว้มากหลายศาลาใหญ่กุฏิสง์กุฏิปฏิบัติธรรมสำหรับคารวาสและที่สาคัญ ภูริธตาเจดีสำหรับบรรจุพระทันตาธาตุของท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นบุรพาจารย์เป็นผลงานที่ท่านภูมิใจเป็นที่สุดเพราะนั่นคืออาจาริยบูชาปฏิปทาของท่านพระอาจารย์เกี้ยอาจจะแตกต่างจากพระกรรมฐานรูปอื่นในแง่เปลืกย่อยแต่โดยหลักใหญ่แล้วเป็นเอกเทศท่านไม่กว้างขวางเรื่องธรรมะภายนอก รอบรู้เฉพาะเรื่องธรรมะภายในท่านปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วคําสอนของท่านก็เป็นประเภทปัจเจกธรรมเพราะท่านมุ่งเน้นทางด้านจิตใจเป็นส่วนใหญ่ประกอบกับท่านมีบา ร, รมีธรรมที่บ่มบำเพ็ญมาแต่ชาติปางก่อนเป็นสิ่งที่ช่วยเกื้อหนุนอยู่อย่างลึกลับการปฏิบัติของท่านจึงนับว่ารู้เร็วในยุคปัจจุบันสมัย ที่มนุษย์มีกิเลสหนาขึ้นโดยลำดับท่านจึงเป็นผู้ที่มีเอสระมานานไม่เจียวเกาะยึดติดผัวพันธ์ในบุคคลการสถานที่การปฏิบัติของท่านมุ่งเน้นที่ผลของการปฏิบัติมากกว่ารูปแบบแห่งการปฏิบัติเพราะนี่เป็นอุปนิสัยและปฏิปทาที่เป็นปัจจัตตังที่ใครๆมิอาจเรียนแบบได้ดังพุทธภาษิต ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสันตากาโย ο, สันตาวาโจสันตมนโนสุสมาหิโตวันตะโลกามิโสภิขุอุปสันตโตติวุจจติติภิกษุผู้มีกายวาจาสงบยังไม่นับว่าเป็นผู้สงบแท้แต่ท่านผู้ที่มีกายวาจาและใจสงบนั่นแลเราตถาคต จึงเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้สงบอย่างแท้จริงและเป็นผู้คลายจากความลุ่มหลงในโลกทั้งปวงประวัติคติธรรมและปฏิปทาฉบับย่อ ของพระเดชพระคุณพระครูสุทธิธรรมรังสีหลวงปู่เจี้ยจุนโดนีพระบพระเจ้าได้ขออนุญาตสัมภาษณ์จากท่านปากต่อปากแล้วนำมาเรียบเรียงด้วยความเทิดทูนยิ่งควรมิควรประการใดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอท่านจงโปรโดอโหสิกรรมด้วยเทิน พระมหาธีรนาตอคาธีโรผู้เขียนเรียบเรียง18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545